คนอื่นหรอกต่อไปเราก็มาฝึกสมาธิฝึกจิตของเราสมาธิเป็นเครื่องสู้กิเลสระดับกลางชื่อว่านิวร น, นิวณมีห้าตัวนะแต่ทั้งห้าตัวนะั้นมันเป็นความฟุ้งซ่านของจิตทั้งนั้นเลยถ้าฟุ้งไปชอบใจในอารมณ์นะเรียกว่ากรรมฉันทะนิวรณ์ฟุ้งไปเกลียดอารมณ์นะเรียกพยาปาทะพยาบาท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 เกิดพร้อมกันเลยนะงั้นมีวิญญาณปั๊บนะอย่างลงปั๊บต้องมีรูปนามทันทีเลยนะยงั้มีขันศีรใขึ้นมาวิญญาณเป็นขันตัวหนึ่งวิญญาณวิญญาณอักขันทันทีที่วิญญาณเกิดบอกวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปเป็นปัจจัยจริงแนะตจจ่เกิดพร้อมกันนะเป็นสหชาติปัจจัยด้วยเกิดพร้อมกันงั้นขันห้าเวลาเกิดนะเกิดทีเดียวห้าขันนะ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 อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปธรรมหรือนามธรรมแล้วเราใจหายไปไหนอ่ะ <c oughs> ใจเป็นรูปธรรมเหรออยตนะมีทั้งรูปธรรมนามธรรมเห็นไหม <c oughs> ผัสสะล่ะรูปธรรมหรือนามธรรมมีมผัสสะทางตาด้วยนะอืรูปธรรมหรือนามธรรมนามธรรมล้วนๆผัสสะเวทนาล่ะปัญหาอุปาทาน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 เนี่ยสำรวจมาแล้วเวลารู้สึกกูเก่งแล้วพอรู้ทันนะอายเลยนะใครรู้สึกตัวนี้บ้างตัวนี้น่าอายถัดจากนี้ก็น่าด้านถ้ายัางไม่อายอยีกนะหังนี้ตึ่นหน้าด้านแล้วไม่มีสติอย่ามาอวดเรื่องศีลนะไม่มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็อย่ามาอวดว่าทาสมาธิเก่งเลย ทำสมาธิจนกระทั่งอยากรู้อยากเห็นอะไรทั่วโลกธาตุรู้ได้หมดเลยนะไม่เห็นจิตตัวเองอันเดียวก็ได้ของไม่มีสาระไปเห็นของไม่มีสาระว่ามีสาระนละเพราะกิเลสเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตนะกุศลอะไรก็เกิดที่จิตนะั้นงั้นถ้าเราไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะสมาธิของเราอย่างอ่อนนะอย่างมากก็มีแค่สมาธิสงบแต่ไม่มีสมาธิตั้งมั่น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 ทำของผู้เจ้าอัศจรรย์นะอัศจรรย์แต่ไม่ใช่พระราหัสนิพพานแล้วศูนย์นะ<ม>คําว่าศูนย์หรือคำว่ามีอยู่เนยเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งคู่เลยสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะมีเหตุสิ่งนั้นก็มีสิ่งใดไม่มีเหตุสิ่งนั้นก็ไม่มีนะความเกิดของท่านไม่มีอีกเพราะไม่มีเหตุให้เกิดนะไม่ใช่เพระกูเก่งนะไม่มี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 มาปรงตต่่ออลจิตตอนนี้ถึงฐานไหมอออกข้างนอกออกข้างนอกนะรู้ทันดียวเมื่อวานมีช่วงที่ดีตอนเดินที่ศาลาสองนะครับอืมแต่ส่วนใหญ่ตอนไรนะตอนที่เดินจงกรมที่ศาลาสองครับช่วงนัดีอยู่ช่วงสั้นๆครับเรื่องเหม็นขี้ไก่ไม่รู้จะทําไงแถวนี้เขาปลูกมันเรานึดว่าตรงนี้เป็นเขานะข้ามไปดูนะไล่มันทั้งนั้นเลยถ้าุ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 เวลามีความคิดเนี่ยฮะมันจะเห็นเหมือนเป็นสายน้ําไหลออกมาจากข้างในใจครมันจะนค่อยๆไหลไหลไหลออกมาแล้วก็บางทีเวลากุศลนกุศลเกิดมันก็จะมีช่องว่างขั้นขั้นขั้นนะฮะอันนี้เป็นตัวที่ภาวนาช่วงหลังแต่ว่าคือเห็นกุศลนกุศลที่มันละเอียดลิยาบก็คือไม่ได้ไปให้ค่ามันมก็คือว่าดูมันเกิดดับไปปกติอืมแต่ว่าที่ผ่านมามีอยู่สองครั้งที่ตัวมันหายไปแวบเดียวนะฮะแต่ขึ้นมาใหม่คือ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 ตัวมันหายไปแล้วรู้สึกว่ามันทําแล้วมันก็สลักออกอ ม, มันไม่เอาอะไรอะไรเงี้ยครับแต่ก็คือดูทุกอย่างมันเกิดดับชั่วคราวอืแล้วก็ช่วงหลังๆคือฟังซีดีหลวงพ่อปามโอดหลายๆแท็กคือฟังซ้ําของคุณอ่ะดูออกไหมตอนนี้มันมีกิเลสอะไรเ อ, อมีความเป็นตัว ต, วตนผอมหน่อยหนึ่งเออนะให้รู้ทันนะแล้วมันมีความอิ่ม อ, อกอิ่มใจปลื้มอกปลื้ ม, ออมใจว่าเราพอน n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 กระแสคนนั้นมันก็ปรากฏขึ้นมาในใจ อ, อย่างสมัยก่อนนี่ต้องแบบส่งออกไปอะไรเงี้ยครับตอนนี้มันเป็นอุขันิมิตขึ้นมาไอใใอย่างนี้ก็ไม่เอานะแต่ก็รู้ว่าเป็นของเล่นนะเออเป็นของออกแต่มันชัดขึ้นนะไ อ, อ้อย่างนั้นของเล่นถ้าเล่นแล้วต่อไปเวลาตัดกระแสถ้าตัดตัดยากพอชํานาญนะเรานึกถึงใครเรารู้หมดเลยแต่พอไม่อยากรู้พเพราก็คิดถึงแล้วแล้วไม่อยากจะรู้นะมันก็ยังรู้อีกเนี่ยแก้ยากนะคร<ข>ับก็บไปเล่นไปเลย น, น, นอกจาก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 อยู่ข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเดี๋ยวนี้ภาวนากันเก่งๆ เ, งเยอะมากเลยอ่าคือภาวนามาสักพักแล้วก็จนถึงปัจจุบันก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเหมือนกับทําอะไรไ ม, ไม่ไม่ถูกแล้วครับอยากจะขอความเมตตาหลวงพ่อนะแนะนําเห็นกิเลสไหมก็เห็นเป็นพักๆครับทําในรูปแบบไหมพยายามนั่งสมาธิทุกวันทํานะครับนะจะได้มีแรงคร ถ้าเราจเจริญสติในชีวิตการมันรวดไปเลยบางทีงงเลยเหมือนไม่ได้ทําอะไรครับแล้วทอนานไปแล้วใจฝอนะรู้สึกไม่ได้ปฏิบัติครับใช่เนะี่ยเรามีรูปแบบทุกวันทุกวันครับจะช่วยให้ใจเรามั่นคงครับแล้วจิตถึงฐานไหมขณะนี้ไม่ทราบครับจิตอยู่ข้างนอกหรือจิตอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกครับจิตอยู่ข้างนอกนะจิตออกนอกนะครับให้รู้ทันไว้จิตออกนอก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 พอเขาเห็นนั่นจริงเขาก็เห็นตามนะว่าสิ่งที่ที่บอกว่าขันห่าไม่ใช่เราเน่ะเขาเริ่มที่จะยอมรับได้บ้างแล้วว่ามันไม่ใช่เราจริงอย่างเรายอมไม่พอนะต้องทำอีกก็เห็นว่าก็ยังยอมไม่พอแต่พอมีวันนึงมันยอมบ้างไม่ยอมบ้างค่ะแต่ว่าเหมือนเขาจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าอะไรคืออะไรอะ่ะออื ม, อมอย่าให้คิดนํานะค่อยๆรู้ค่อยๆดูสบายๆภาวนาเนียนๆเลยนะอย่ารีบร้อน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 ดูกายดูใจมันทำงานแอบไปคิดอีกหรือยังแอบไปคิดแล้วครับออให้รู้ทันนะแล้วต้องทำอะไรเพิ่มอีกไหมครับือทำอะไรเพิ่มอีกไหมครับาลาช่วทาดีทำจิตป่องแพ้วทำเท่านี้แหละ <c oughs> <c oughs> ดีนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วละ่ะขอบพระคุณครับใช้ได้เชียนมัสการของพ่อครับ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 มันออกนอกค่อยรู้ไวๆก็แล้วกันเออไอคําว่ารู้ไวๆเนี่ยหมายถึงว่าเรารู้เองหรือหรือมันกลับมาเองครับเร า, เ ร, ารู้เองอเราเรากำหนดได้แหละครับว่าไวหรือช้าผมว่าผมมีความสุขเมื่อเรากําหนดไม่ได้มันอยู่ที่ซ้อม อ, อยู่ที่การทําเหตุนะครับเราต้องหัดรู้มันถึงจะรู้ไวงั้นแต่ละวันเราก็ทําในรูปแบบพุโทโธไปหายใจไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วจิตไหลไปแล้วค่อยรู้ไวๆต่อไปมันไหลคลิกเดี๋ยวก็รู้แล้ว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 เป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มหวันไหวเป็นทุกขนะ์จิตส่งออกนอกแนละ้วไม่ก็เพิ่มหวันไหวนะมีความรู้สึกตัวอยู่เป็นวิหารธรรมนะไม่ถูกหรอกทั้นนะแต่เสด็จแล้ท่านตบท้ายนะพระอริยะเจ้าทั้งหลายพระอรหันต์มีจิตไม่ออกนอกมีจิตไม่ปรุงแต่งนะคําสอนท่านลึกคําว่าพระอริยะเจ้าพระอรหันต์